แนะนำบทอันจันจลาบทอันจันจลาเป็นบทมารดยามีแปดองค์การแต่ในจำนวนของบทคล้ายกับบทมาร ก, กิยะเพราะในบทมีการกล่าวถึงความน่ากลัวและความรุนแรงของวันกิ亚马ในที่นี้กล่าวถึงความวันไหวและการสั่นสะเทือนที่จะเกิดขึ้นในวันอวสานโดยที่สิ่งก่อสร้างที่สูงตรงานจะถูกกระแทกและภูเขาที่สูงทุกขนทุกแห่งก็จะพังทลายลงอย่างราบคาบ สิ่งที่น่าประหลาดและน่าฉนวนสนเท่แก่มนุษย์จะเกิดขึ้นแผ่นดินระบายสิ่งที่อยู่ข้างในออกมาเช่นคนตายและทรัพยากรที่มีค่าคือทองเงินและแร่ธาตุต่างๆและมันก็จะเป็นพยานแก่มนุษย์ทุกคนที่ได้กระทำไว้โดยจะกล่าวว่าท่านได้กระทำสิ่งนี้ไว้นั้นทั้งหมดนี้คือความมหัศจรรย์ของวันที่น่าสะพรึงกลัวนอกจากนี้ยังกล่าวถึงการแยกย้ายของมนุษย์ จกทุ่งมาชัดไปยังสวนสวรรค์หรือนรกและจำแนกมนุษย์ออกเป็นสองจำพวกคือคนที่มีความทุกข์และคนที่มีความสุขด้วยพระนามของมะลอผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ ة ه เมื่อแผ่นดินถูกให้ไหวอย่าง สสนและเมื่อแผ่นดินได้ระบายของหนักของมันออกมาและมนุษย์จะกล่าวว่าเกิดอะไรขึ้นแก่มันเล่าในวันนั้นมันจะบอกข่าวของมัน ว่าแท้จริงพระผู้วิบาลของเจ้าเลยมีพระบัญชาแก่มันในวันนั้นมนุษย์จะกระจายออกมาเป็นหมู่ๆเพื่อพวกเขาจะถูกให้เห็นผลงานของพวกเขายลดรร ดังนั้นผู้ใดกระทําความดีหนักเท่าละอองผู้หลีเขาก็จะเห็นมันส่วนผู้ใดกระทําความชั่วหนักเท่าละอองผู้หลีเขาก็จะเห็นมัน